ถ้าเว้นบ้างก็เพียงเวลาหลับสนิทเท่านั้นนอกนั้นเป็นเวลาทำงานของมันเสียสิ้นดังนั้นการทำความเพียนจะลดย่อนอ่อนข้อและผัดเพี้ยนเลื่อนเวลาอยู่จึงทำให้กิเลส ต, ตัวขยันวัวราอเอาการเปลี่ยนสถานที่ละอุบายอยู่เสมอจึงพอมองเห็นความแพ้ความชนะกับกิเลสบ้างไม่ปล่อยให้มันรับเหมาเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวดังนี้ เหตุผลของท่านก็น่าฟังและเป็นคติดได้ดีสำหรับผู้ไม่นอนใจให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ำทำลายเอาทุกๆ ก, กรณีที่จิตไหวตัวท่านชอบเที่ยวไปทางภูสิงห์ภูวัวภูลังกาและดวงม่อทองเขตอำเภอเซกาอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายและอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมแถบนั้นมีเขามาาเช่นภูสิงห์ภูวัวและภูลังกา ซึ่งล้วนเป็นทำเลดีๆเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมอย่างยิ่งแต่ห่างไกลหมู่บ้านมากบินทบาดไม่ถึงต้องมีคนผลัดเปลี่ยนกันขึ้นส่งอาหารที่ดังกล่าวเหล่านี้เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่านานาชนิดมีเสือช้างกระทิงวัวแดงเป็นต้นพอตกใ บ, บายและเย็นจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้ร้องสนนวันไหวไปทั่วทั้งป่าผู้ไม่สละตายจริงๆยากจะอยู่ได้เพราะเสือชุมมากเป็นพิเศษ และไม่ค่อยกลัวคนด้วยบางคืนพระท่านเดินจงกรมทำความเพียรไปมาอยู่ยังมาแอบมาหมอบดูท่านได้โดยไม่กลัวท่านเลยแต่ไม่ทำอะไรมันอาจสงสัยแล้วแอบด้อมเข้ามาดูก็ได้พอท่านได้ยินเสียงผิดสังเกตนึกประหลาดใจส่องไฟฉายไปดูยังเห็นเสือโครงใหญ่โดดออกไปต่อหน้าต่อตาก็ยังมีแม้เช่นนั้นท่านก็ยังเดินจงกรมทาความเพียรต่อไปได้ ไม่คิดกลัวว่าเสือจะโดดมาคาบเอาไปกินเลยทั้งนี้เพราะความเชื่อธรรมะมากกว่าความกลัวเสือจึงพออดทนทำความเพียรต่อไปได้บางวันพอตกเย็นพระท่านก็ขึ้นบนไหล่เขาและมองลงไปดูโขลงช้างใหญ่ซึ่งกำลังพากันออกเที่ยวตามหินดานอันกว้างยาวเป็นกิโลกิโลสามารถมองเห็นช้างทั้งโขลงได้อย่างชัดเจนทั้งตัวเ ล, เล็กและตัวใหญ่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 ก, การนั่งภาวนาแต่หัวข้ามยันสว่างนั้นไม่ใช่เป็นงานเล็กน้อยถ้าไม่เป็นผู้มีใจกล้ากัดเหล็กกัดเพชรจริงๆจะทําไม่ได้จึงขอชมเชยอนุโมทนาท่านอย่างถึงใจดังนั้นท่านจึงสามารถเป็นอาจารย์สั่งสอนคณะสานุรสิทธิ์ให้ได้รับความร่มเย็ยนเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ท่านเป็นที่แน่ใจในองค์ท่านเองร้อเปอร์เซ็ ว่าเป็นผู้สิ้นพบสิ้นชาติอย่างประจักษ์ใจทั้งที่ยังครองขันอยู่ลอยขันเมื่อไร่ก็เป็นปรมางสุขขังลุ้นล้วนเมื่อนั้นหมดความรับผิดชอบกังวลโดยสิ้นเชิงการเขียนประวัติย่อของท่านอาจารย์องค์สาคัญองค์หนึ่งในบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นก็ขอยุติลงกรุณาสังเกต ต, ตามที่เขียนมานี้ว่าคือองค์ใดแน่ปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่ และเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนพระเนรจํานวนมากปัจจุบันคือขณะที่ท่านเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ผู้เขียนไม่อาจระบุนามท่านเกรงจะเป็นการกระทบกระเทือนในองค์ท่านเพราะท่านพ้นจากโลกามิตธิ์ใดๆทั้งสิ้นแล้วกรองแต่ธรรมะที่บริสุทธิ์กับขันห้าเรื่องก่อกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีทางสงสัยท่านว่าจะเป็นอื่นขอความสวัสดีมงคล